ท่านเวลังซึ่งเป็นพระสังฆราชองค์ที่หกแห่งนิกายเซนเมื่อก่อนที่ท่านจะได้รับตำแหน่งพระสังฆราชสืบต่อจากพระสังฆราชองค์ที่ห้านั้นท่านได้แต่งคําโคลงไว้บทหนึ่งว่าต้นโพก็ไม่มีกระจกเงาก็ไม่มีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าแล้วฝุ่นจะลงจับอะไรเพราะเหตุที่พระสังฆราชองค์ที่ห้าได้เห็นคโคลงบทนี้ ซึ่งท่านเว่หลางได้บอกให้คนอื่นเขียนออกมาจากความรู้สึกอันแท้จริงของท่านไว้ที่ฝาผนังพระสังฆราชองค์ที่ห้าได้มาเห็นเข้าจึงรู้ทันทีว่าท่านผู้นี้แม้ในขณะนั้นจะยังเป็นคารวาชหนังสือก็อ่านไม่ออกเขียนก็ไม่ได้มีฐานะเป็นเพียงคนหุงข้าวอยู่ภายในวัดเท่านั้นท่านก็ยังรู้ว่าผู้นี้แหละคือผู้ที่จะเป็นพระสังฆราชสืบต่อจากท่าน ครั้นแล้วในวันรุ่งขึ้นท่านก็ได้เรียกท่านเว้หลางให้มาพบเป็นการส่วนตัวและได้สอนธรรมะให้อีกหลายอย่างจนกระทั่งในที่สุดเมื่อท่านเว้หลางได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะจากใจของท่านเองแล้วท่านก็ได้เปล่งอุทานออกมาว่าจิตเดิมแท้นั้นเป็นของบริสุทธิ์อย่างบริสุทธิ์แท้จริงจิตเดิมแท้นั้นเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจของความต้องเป็นอยู่ หรือภายใต้ความดับศูนยอย่างอิสระแท้จริงจิตเดิมแท้นั้นเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์แท้จริงจิตเดิมแท้นั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเปลี่ยนแปลงอย่างนอกเหนือแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลคือปรากฏการหรือการแสดงออกของตัวจิตเดิมแท้ คำว่าจิตเดิมตามมาติของท่านเวยหลงังดังที่ข้าพเจ้าอ้างมานี้ตามความรู้สึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงนิพพานและคําว่าจิตเดิมซึ่งภาษาอังกฤษใช้คําว่าเดียร์เซนซอบไมล์ข้าพเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าหมายถึงจิตตั้งแต่ด็ก ด, ดําบันมาแล้วคําว่าเดิมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเวลา แต่มีความหมายเหมือนกับเมื่อพูดถึงน้ำในทะเลเราก็พูดได้ว่าตัวน้ำแท้ๆหรือน้ำดั้งเดิมนั้นไม่เค็มรสเค็มไม่ใช่เนื้อแท้ของน้ำเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เถียงกับนักอภิธรรมทั้งหลายที่ถือว่าถ้าจิตเดิมบริสุทธิ์แล้วจะมาปฏิสนธิได้อย่างไรจิตที่มาปฏิสนธินี้ล้วนแต่ยังมีกิเลส ท, ทั้งสิน้น ข้าพเจ้าก็มีความเห็นร่วมกับนักอภิธรรมทั้งหลายดังที่กล่าวมาแต่ที่ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านเวลังก็เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าข้าพเจ้าเข้าใจมติของท่านเวลังถูกต้องแล้วรู้ดีว่าท่านหมายความว่าอย่างไรข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเราไม่ติดตัวหนังสือไม่ยึดถือเกี่ยวกับเรื่องนิกายแต่พยายามที่จะค้นหาความจริงแท้ และโดยเฉพาะอย่ง่งยิ่งตัวเราเองต้องเป็นนักปฏิบัติด้วยท่านก็จะเข้าใจไม่ยากเลยว่ามติของท่านเวลางนี้มีความหมายอย่างไรและมีประโยชน์ยิ่งใหญ่เพียงไรผู้ที่สามารถยืนยันถึงการมีตัวตนดังที่ท่านเวลางบอกเอาไวน้นี้ตามความรู้สึกของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ายอมรับแต่เพียงว่าความเข้าใจเช่นนี้เป็นเพียงทางเริ่มต้น ของการที่จะก้าวไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลเท่านั้นไม่ใช่หมายความว่าผู้ใดยืนยันอย่างนี้ออกมาได้ผู้นั้นจะต้องเป็นพระอริยบุคคลเสมอไปและได้ยืนยันออกมาว่าพระนิพพานเป็นเช่นนี้ขอได้โปรดสังเกตว่าก่อนที่ท่านจะรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้หรือได้เห็นตัวตนอันนี้ท่านจะรู้แจ้งมาก่อนว่า ร่างกายอันนี้ก็ไม่มีจริงคือในที่นี้ต้นโพเปรียบเหมือนร่างกายและจิตใจอันนี้ซึ่งหมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่เกิดดับอยู่เสมอนี้ก็ไม่มีจริงซึ่งในที่นี้ท่านเปรียบกระจกเงาคือจิตผู้ที่รู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาอย่างจริงใจแน่นอนเหลือเกินว่าในขณะนั้นใจย่อมบริสุทธิ์ และสดใส ย, ยิ่งนักแล้วรู้ได้อย่างฉับพลันว่าทั้งร่างกายและจิตใจที่เกิดอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราแน่เพราะตัวเราแท้แท้ซึ่งหมายถึงจิตใจที่สดใสและเป็นอิสระนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งและถ้าหากรู้สึกอยู่ได้เสมอว่าทั้งร่างกายและจิตใจอันที่กําลังเกิดอยู่นี้เป็นสิ่งที่ไม่มีจริงอุปาทานย่อมไม่เกิด เมื่ออุปาทานไม่เกิดอิเลตทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ท่านเวลงังท่านมีความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นก่อนจากบารมีเก่าของท่านเพราะไม่มีใครสอนท่านมาก่อนเพราะฉะนั้นจึงเป็นการง่ายที่พระสังฆราชองค์ที่ห้าจะแนะนำให้ท่านเข้าใจธรรมะในส่วนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก อย De ja uh ่า huh. ล sure ืมว no. ่าผู้ที่สามารถยืนยันถึงตัวตนอันนี้ออกมาได้จริงๆนั้นจะต้องสามารถเข้าสมาธิได้ปัดความคิดที่ไม่ต้องการออกไปได้สามารถทำใจให้ว่างได้ต่อเมื่อทำได้อย่างนี้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่สามารถกล่าวยืนยันถึงตัวตนที่แท้จริงอันนั้นออกมาได้ถ้าหากว่ายังไม่สามารถเข้าสมาธิปัดอารมณ์หรือปัดความคิดที่ไม่ต้องการออกไปได้ ก็หมายความว่าท่านยังยืนยันตัวตนนั้นๆไม่ได้ท่านได้แต่เพียงจําคําบอกเล่ามาจากคนอื่นเท่านั้นเพราะการที่จะรู้จักตัวตนที่แท้จริงตามที่กล่าวมานี้ได้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือท่านต้องได้สมาธิแต่อย่างไรก็ดีบางคนก่อนที่จะยืนยันอย่างนี้ออกมาได้จริงๆนั้นก็จะต้องเริ่มมีความเข้าใจถึงตัวตนอันนี้มาก่อน ทั้งทงที่ยังเข้าสมาธิไม่ได้ซึ่งความเข้าใจที่ว่านี้เกิดขึ้นจากการศึกษาเรื่องวิญญาณและกฎของกรรมต่อมาในเมื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นและมันนั่งสมาธิเสมอการทำสมาธิก็ดีขึ้นโดยลำดับและความเข้าใจก็จะแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นครั้นแล้วในที่สุดท่านก็จะสามารถเข้าสมาธิได้ดี และความเข้าใจก็จะแจมชัดถึงที่สุดซึ่งถ้าหากท่านได้พยายามตะเกียกตะกายก้าวขึ้นมาจนกระทั่งถึงจุดนี้ก็เป็นอันแน่นอนว่าท่านจะต้องได้พบกับความสวัสดีตลอดกาลนานเพราะไม่ว่าความทุกข์มันจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรก็ตามแต่แล้วในที่สุดท่านก็จะสามารถเอาชนะมันได้ทุกอย่างผู้ที่พยายามปีนไป่ายไปจนกระทั่งถึงยอดเขาเอฟโฟเสได้นั้น ยอมดีรับคาชมเชยจากบุคคลทั่วโลกงานปีนไป่ายไปให้ถึงยอดเขาเอเฟเสเป็นงานที่จะต้องใช้ความอดทนความกล้าหาญและไหวพริบอย่างยอดเยี่ยมน้อยคนที่จะปีนไป่ายไปถึงแต่การปีนไป่ายไปจนกระทั่งรู้จักตัวเองที่แท้จริงนั้นเป็นงานที่ไม่ยากและไม่ต้องประจนภัยเหมือนกับงานปีนเขาแต่ก็เป็นงานที่เราจะต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนอย่างหนักที่สุด แต่ก็เพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแล้วท่านก็จะปีนไปถึงยอดที่ว่า น, นี้ได้และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านเองและแก่โลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์หลายเท่าแต่งานในด้านจิตใจนี้เวลาทำคนอื่นมองไม่เห็นและคนเราติดในเรื่องชื่อเสียงเป็นห่วงตัวเองทั้งทั้งที่ตัวที่เป็นห่วงนั้นไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงก็ละไม่ได้ คนส่วนมากมาติดกันตรงนี้งานปีนเขาในด้านจิตใจจึงไม่มีใครกล้าเสี่ยงแม้แต่จะพยายามลองดูสักพักหนึ่งก็ขี้เกียจเนี่ยละคือผลร้ายของการติดอยู่ในตัวตนที่ไม่ใช่ตัวเราหรือของของเรา